ข้าพเจ้าพระภัยบูนอภิปุโนโจากวัดป่าดอนหาโศกมาพบ ก, กับท่านบูฟังในวันนี้เอาวันนี้เท่านั้นแหละท่านบูฟังเอาปัจจุบันนี้เอาตอนนี้อะไรไม่ต้องพูดถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วว่าข้าพเจ้าพูดอะไรไปสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เอาไว้ก่อนเรื่องไม่รู้เลยว่าคืนนี้ถ้าเรานอนลงไปเราจะลุกขึ้นมาได้ไหม หรือว่าวันนี้ที่เราจะกินอาหารเข้าไปอาหารนั้นมันจะย่อยได้หรือเปล่าเรายังไม่รู้แต่ที่แน่ๆถ้าท่านผู้ฟังฟังรายการนี้อยู่อันนี้เราอยู่ด้วยกันละเราอยู่ใกล้กันละเพราะเรามีธรรมะเหมือนกันใครกร็ตามที่มีธรรมะมีใจใจที่ละนิวรณได้ มีใจสงบระงับไม่กระวนกระวายมีจิตตั้งมั่นเป็นอาร ม, มันเดียวมีสติไม่ลืมหลงอันนี้ชื่อว่าเราอยู่ใกล้กันอยู่ใกล้กับใครอยู่ใกล้กับบปุปชาตนเองเราจึงควรแท้ที่จะต้องมาฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆวันหนึ่งให้มีอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งจะเป็นตอนไหนก็ได้ที่เราเป็นผู้ที่ได้โดยง่ายได้โดยไม่ลำบากซึ่งธรรมกถา ได้โดยง่ายได้โดยไม่ลําบากซึ่งธรรมกถานนั้นฟังด้วยทําด้วยทําด้วยปฏิบัติด้วยปฏิบัติเองด้วยชักชวนคนอื่นให้ปฏิบัติด้วยอันนี้เราจะได้ทั้งประโยชน์ตัวเองได้ทั้งประโยชน์ผู้อื่นเวลาที่เราปฏิบัติธรรมนั้นสิ่งที่เป็นคุณฑธรรมที่สําคัญําฝั ง, งสาคัญอันหนึ่งที่กัาพเจ้าได้พูดถึงก็คือเรื่องของ ศรัทธานั่นคือกำลังนะละกำลังนั่กำลังคือศรัทธาใครสักคนใดคนหนึ่งใครสักคนใดคนหนึ่งจะมีกำลังใจในการปฏิบัติกำลังในที่นี้คือพลังนะพลังกายพลังใจในการที่จะประพฤติตามธรรมปฏิบัติตามธรร ม, ม, มประพฤติพรหมจรรย์หรือปฏิบัติพรหมจรรย์ให้ตัวเองเนี่ยรุดออกจากความทุกข์ ให้ตัวเองเข้าใจเรื่องความทุกข์จะได้หลุดออกจากตัณหาได้แต่ใช้คำไม่ถูกหน่อยแต่เข้าใจเรื่องความทุกข์จะได้หลุดออกจากเจ้าอุ้งมือมานจากกำมือของของตัณหาได้นั่นคือการที่เราต้องมีกำลังมีกำลังใจในการปฏิบัติกำลังมาจากไหนจำฟังกำลังมาจากไหนจากพร ะ, ระพุทธเจ้าให้นั่นึองไม่ใช่ว่าเอาเป็นก้อนๆให้กันได้ แต่กำลังที่พระเจ้าให้นั้นคือความที่พระเจ้าตรัสรู้แล้วใครสักค น, นหนึ่งมีศรัทธาเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั้นนั่นก็เรียกว่ากําลังของคุณเป็นกําลังคือศรัทธาคือมอบไว้ให้จริงๆนะพูดงี้ดีกว่ามอบไว้ให้ว่ามันอยู่ตรงนี้ไอ้ตรงนี้มันอยู่ตรงไหนอยู่ในใจของเรากําลังคือศรัทธาอยู่ที่ไหนอยู่ในใจของเรามาจากไหน าจากการที่พระุทเจ้าตรัสรู้ความเชื time, fashion, ่อในการที <tahun> ่พระพเจ้าตรัสรู้เนี่ยอยู่ในใจของเราบางสมัยท่านฟังลองคิดดูไม่มีพระพทธเจ้ามาตรัสสรู้ไม่มีนไม่มีแล้วไอ้คนที่เขาจะมามีความเชื่อในการตรัสรู้ของพระุทเจ้าเนี่ยโอ้ยิ่งหายากเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่ได้รู้สึกอาจจะมีบางคนที่จะมีความเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทเจ้าอย่างเช่นพวกโพธิสัตว์อย่างนี้เป็นต้น แต่ตัวเองยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเองตัวเองยังในชาตินั้นๆไม่ได้เจอพระพุทธเจ้าเองไม่ได้เจอเองไม่ได้เป็นเองแล้วก็ไม่ได้เคยได้ยินได้คําฟังคําสอนในชาตินั้นๆแต่ในใจลึกๆ ก, ก็ยังมีความเชื่ออยู่ว่ า, าการตรัสรู้มันมีสมมติส ม, สมบูริยานมันมีกาจะเป็นคนประเภทนั้นแต่ถ้าในช่วงสมัยที่ไม่มีพรุชามาปรากฏเนี่ยคนทั่วๆไปที่ ไม่ได้ปรารถนาหรือไม่ได้เป็นโพธิสัตว์เนี่ยจะมาตั้งใจในการที่จะมีศรัทธาให้ให้ออรู้มีความเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันจึงหายากแต่แม้แต่ในสมัยนี้ก็ตามคนที่ไม่มีศรัทธาเนี่ยหาได้ง่ายกว่าคนที่มีศรัทธาแต่คนที่มีศรัทธาเป็นกําลังใจในของใครสักคนใ น, นหนึ่งที่มีความมั่นใจมีความเชื่อมีความมั่นใจในในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ว, ว่าไอการตรัสรู้นั้นมีจริง การตรรัดสูบนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วพวะระเจ้าเคยเปรียบเทียบยกตัวอย่างอย่างนี้ว่าเอาเอาหญ้าไม้กิ่งไม้ใบไม้ในจพูทวีลนี้ตัดป่ามาทั้งหมดในสมัยก่อนมีเยอะมีป่าเยอะมากกว่านี้ตัดมาทั้งหมดแล้วมาทําเป็นเครื่องเสียบแต่เครื่องเสียบก็หมายถึงไม้ลูกชิ้นอย่างเงี้ยเสียบลูกชิ้นแต่เครื่องเสียบขนาดใหญ่ก็เสียบสัตว์ใหญ่ๆเครื่องเสียบขนาดเล็กก็เสียบสัตว์เล็กๆ เอาสัตว์ไหนมาเสียบน่ะเสัตว์จากทะเลนี่แหละมาเสียบน่ะเสัตว์จากทะเลเอาขึ้นมาน่ะสัตว์ใหญ่เสียบเครื่องเสียบขนาดใหญ่สัตว์เล็กเสียบเครื่องเสียบขนาดเล็กนะสัตว์ในทะเลยังไม่ทันจะหมดแต่ว่าหญ้าไม้กิง่งไม้ใบไม้ไมไมพวกนี้หมดแล้วนะสัตว์ในทะเลที่เสียบด้วยเครื่องเสียบได้โดยายากมันยังมีเยอะกว่ามากแต่เพราะความที่ตัวมันเล็กเหมือนกันเปรียบเทียบกับในสังสารวัตรเนี่ยมันกว้างใหญ่มาก เหมือนทะเลมีจํานวนสัตว์เยอะแยะไปหมดจะไปประมาณการว่าตัวมีเท่านั้นล้านตัวเท่านี้แสนตัวมันได้ยากเพราะว่าความที่มันเยอะมากเหมือนกันในสังสารวัตนี้ในกว้างใหญ่ไพศาลตั้งแต่ปรโมโลกไปจนถึงเอเวจีมานรกจากเอเวจีมานรกกลับขึ้นไปปรโมโลกขึ้นๆล ง, ลงๆอยู่อย่างนี้ระยะเวลายาวนานมากนะจากในจํานวนพวกนี้ทั้งหมดก็ยังมีบุคคลที่หลุดพ้นออกมนาได้อันนี้มีอยู่ นะให้คุณมีความเชื่อให้คุณมีความมั่นใจให้คุณมีความเชื่อความมั่นใจในการตรัสรู้ของบรรดาชาวความเชื่อความมั่นใจตรงนี้นี่แหละจะเป็นกําลังของคุณในการที่ที่จะเกิดการปฏิบัติได้เพราะเรามีศรัทธาศรัทธานี้เป็นกําลังในการที่จะทาให้เราพ้นจากอํานาจของตัณหาเข้าใจความทุกข์นอกจากกําลังคือศรัทธาแล้วเรื่องตันถัดมามาคู่กันนั่นก็คือเรื่องของฮิริ ละอต ป, ปะฮิริอตปาภะคืออะไรฮิริคือความละอายต่อบตาลนะอายหมายจะทําล้อายเหนะมือนคุณจะเดินแก้ผ้าท่งทงไปกลางหมู่บ้านนะเอาไปตามเดินตามถนนแก้ผ้าท่งๆ่อายอายแต่บางคนไม่ละอายนะก็คือไม่มีหิรินั่นเองอายในการที่จะทําความชั่วอายในที่นี้นะหิริในที่นี้หมายถึงอายในการที่จะทําสิ่งที่ไม่ดี จะโกงกนะ็อายนะอายลูกอายหลานนะอายสังคมว่าเขาเขาจะประนามเรานะประนามจริ ง, รงๆเราเป็นการกลัวด้วยซ้ำ น, นะก็เป็นเรื่องของโอตับปะเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าเป็นสิ่งที่มาคู่กันในฮะีบริคโอตับปะเวลาบริชาตระก็จะตัดคู่กันเสมอในฮะีบริคือความละอายต่อบะนะอายต่อคนที่เป็นลูกเป็นหลานอายต่อสังคมอายต่อความดีนะอายต่อสิ่งที่ เราเราจะไปทําแล้วมันจะไม่ดีเราอายที่จะทําอัตบากก็คือความความกลัวนรากลัวอะไรเรไม่ใช่กลัวผีกลัววิญญาณกลัวความมืดไม่ใช่งันแต่กลัวต่อบาปนรากลัวต่อความที่เป็นทุจริตเรกลัวต่อผลของมันที่จะเกิดขึ้นนรากลัวต่อผลที่จะเกิดขึ้นกับเขาดาเขาว่ากลัวต่อผลที่จะเกิดขึ้นต้องไปติดคุกติดตารางกลัวต่อผลที่จะเกิดขึ้นต้องไปตกนรกหมกไหม ความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปอันนี้จะเป็นสิ่งที่ผลักดันคุณผลักดันไปไหนผลักดันในการที่จะละตันหาผลักดันในการที่จะเข้าใจความทุกข์ผลักดันในการที่จะทําให้เรามีการปฏิบัติที่ดีขึ้นไอกําลังในการผลักดันตรงนี้นะคือเหมือนกับดันไปดันด้วยความกลัวดันด้วยความอายอันไหนเราอายเราก็หนีจากมันอันไหนเรากลัวเราก็หนีจากมัน แตความกลัวความละอายคือหิริความกลัวคือโอตะปาะเนี่ยพระเจ้าเคยเปรียบเทียบไว้ในอีกพระสุดหนึ่งที่หมายถึงคูล้อมรอบเมืองคู่ก็คือเจ้าหิริความกลัวคุณตกหลุมปล่อยเลยนั่นตกหลงมใบแต่ข้างหน้างมีเครื่องเสียบอะไรอยู่เวลาที่เขาป้องกันเมืองนะถ้าเคยดูภาพยนตร์เกี่ยวกับการต่อสู้เนี่ยเขาจะขุดคู่ไว้รอบเมืองแต่เมือนในสมัยอริยาก็มีคูน้ํา รอบเมืองเพื่อป้องกันฆ่าสึกนางคู่นี้ก็คือเจ้าเฮียรินนั่นเองแต่ออตปาคืออะไรออตปาก็เ ป, ปรียบเหมือนเช er ิงเทินเดินรอบเชิงเทินเดินรอบก็ลองนึกถึงกำแพงเมืองจีนอย่างนี้ก็ได้แต่จะมีทางเดินอยู่บนกำแพงทำเป็นลักษณะเชิงเทินเดินรอบที่อยู่บนกำแพงแต่เจ้าเชิงเทินเดินรอบเจ้าคู่ล้อมรอบเนี่ยก็เพื่อป้องกันฆ่าศึกไม่ให้มันเข้ามาเหนือเพื่อป้องกันไอ้เจ้าทุจริต กายว่าใจใจเป็นทุจริตที่มันจะเกิดขึ้นในใจให้มันอย่าเข้ามาอย่าให้มันเกิดขึ้นในใจแต่สิ่งที่เป็นอกุศลไม่ให้เข้ามานั่นจะเป็นกําลังของเราเป็นกําลังในการที่เราจะประพฤติพรหมจรรย์เป็นกําลังในการที่เราจะเข้าใจความทุกข์เป็นกําลังในการที่เราจะละตัณหาใครสักคนคนหนึ่งท่านผู้ฟังตัวท่านผู้ฟังเองนี่แหละตัวข้าพเจ้าเองนี่แหะตัวสาวกของพทะรูชาทุกคนแม้แต่โพธิสัตว์แม้แต่พระรูชาเองต้องมีกําลัง กําลังในการที่จะปฏิบัติตามธรรมกาลังนี้นนหนึ่งในสิ่งที่จะช่วยให้บ้านเมืองมีกําลังให้ใจของเรามีกําลังและมีความมั่นคงในการที่จะป้องกันค่าศึกศัตรคูคือเจ้าพวกกินเล่เจ้าพวกมารเนี่ยนั่นคือฮิริอุตตปะความละอายตบาะความกลัวตบาะในทางภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเคยแปลคําว่าฮิริอุตตะปะเนี่ยหมายถึงความรู้สึกผิดชอบช่วยดีแต่ความรู้สึกผิดชอบช่วยดี ต่อสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่เช่นคุณจะโกงอย่างนี้เอมันไม่ดีนะเรารู้ว่ามันไม่ดีเอ๊ะฉันไม่ทําก็แล้วกันแต่ก็าวางของอไว้ตรงนี้ก็ไปห้อ ง, องน้ําเอ๊ะเราจะหยิบไปนี่มันก็ไม่ดีนะอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่แท็กซี่คนลืมของไว้หลังโดยแท็กซี่ก็มีความรู้สึกว่าเอ้าเขาลืมมาไว้เอ๊ะเราจะเอาไปเป็นของเราที่มันไม่ดีนะต่ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีตรงเนี้ยนั่นแหละคือฮิรินั่นคือโอตาปะ ที่เกิดขึ้นในใจของคุณแตมันทำให้เรามีศีนลนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในใจที่ก่อนที่คุณจะมีศีลด้วยซ้ําก่อนที่คุณจะเว้นขาดจากการถือเอาทรัพย์มันจ้าของไม่ได้ให้ในก่อนที่คุณจะประพฤติผิดในกรรมอย่างเงี้ยอย่างมีคนมาทอดสะพานให้แต่คุณเป็นผู้ชายมีผู้หญิงมาทอดสะพานให้เอ๊จะทาผิดศีลข้อสไม่ทนะําหน้าเพราะว่ามันไม่ดีนั่นคือความรู้สึกผิดชอบช่วดีนั่นคือฮิริโอตัปะ นั่นคือความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปนั่นะที่เกิดขึ้นในใจให้มันมีตรงนี้แตนะความเป็นเสษขะ ข, ของเราจะจะก้าวหน้าได้นะเศษขะคือผู้ที่ต้องทําการศึกษาอยู่ในธรรมวินัยนี้นั่นเองนี่คือกําลังของเรานะท่านผู้ฟังถ้าสมมุติตอนไหนที่คุณไม่มีความกลัวความละอายต่อบาปไม่มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีเรเรียกว่าไม่มีความละอายว่างั้นเถอะนะหน้าด้านว่างั้นเถอะนะ ด้านในการที่จะโกงซึ่งซึ่งหน้าด้านในการที่จะโกงกันแบบว่าไม่อายนี่คือมันไม่มีหีริโอต์ปะถามว่านักพูดเป็นกําลังโอ้โหมางคนบอกหน้าด้านสิถึงจะต้องได้ด้านในด้านนี้มันถูกต่างได้ไหมยังงั้นคือด้านต่อความดีมันไม่ถูกนั่นจะพาเราไปนรกนั่นจะพาเราไปสิ่งที่ไม่ดีจะถูกประนามคนด้านด้านนี่แม้เดี๋ยวนี้เขายกย่องด้วยซ้ามันไม่ถูกอีกไอคนฟังนั้นก็ไม่มีกําลังและจิตใจอ่อนแอไปด้วย คุณคิดว่าด้านแล้วจะมีกําลังนั่นคิดผิดกําลังของคนพาณเนี่ยไม่ใช่กําลังที่แท้จริงเพราะว่านั่นอะไรเวลาคุณไปลงนรกหรือเวลาคุณเข้าคุกแล้คุณโชว์กาลังให้เขาดูคุณด้านใช่ไหมคุณไปเข้าคุกคุณถูกเขาลงโทษต่างๆนานามันจะงยังด้านอยู่ได้ไหมละ่ะมันจะต้องถอนออกถูกลอกออกแต่คนทําผิดศีลข้อที่ห้าแต่คนดื่มสุราไม่ไรเสพยาเสพติด ใน ต, ตอนพิษของยาเสพติดมันกำเริบคุณดูบุหรี่อย่างเงี้ยสุดท้ายเป็นมะเร็งกล่องเสียงคุณกินเหล้าสุดท้ายเป็นมะเร็งตับสภาพตอนที่เป็นมะเร็งออกมาในสภาพตอนที่ต้องไปติดกู้เพราะขโมยของเสพ ย, ยาเสพติดอย่างนี้เป็นต้นโอ้มันดูไม่ได้ใชฟั ง, งอย่างเงี้มันทนด้านอยู่ไม่ได้ล่ะในจิตใจมันหยาบหนาลักษณะนั้นเพราะแั้นเราให้มีกําลังคือความกลัวถ้าเราจะกลัว กลัวผีกลัวอะไรมากลัวบาปดีกว่าไหมเอาความกลัวตรงนั้นมากลัวบาปซะอย่าไปกลัวในสิ่งที่เป็นกุศลธรรมให้กลัวในสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมกุศลธรรมเราจะไปกลัวทําไมกุศลธรรมเรายิ่งต้องประกอบต้องสร้างทําความดีสร้างสรรค์สิ่งที่ดีในความไม่ดีสิเรายิ่งต้องกลัวต้องละอายนั่นจะเป็นกําลังของเราเป็นกําลังของบัณฑิตเป็นกําลังของสัตว์บุรุษ กำลังของบัณฑิตกำลังของสารุตรคือความอดทนต่อความชั่วนั่นเองแต่ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีนั่นเป็นกำลังของเรากำลังอย่างคนพาลที่เข้าหน้าด้านทำสิ่งที่ไม่ดีอันนั้นไม่ใช่กำลังอันนั้นจะเป็นสิ่งที่พาเข้าไปชิพหายบัณฑิตจะไม่กล่าวสิ่งนั้นว่าเป็นกำลังเลยแต่บัณฑิตคือผู้รู้ทั้งหลายจะกล่าวหิริโอตับปะนี่แหละว่าเป็นกำลังพระเจาของเราบอกว่ากำลังคือฮิริรกำลังคือโอตัปะปกำะากำลังคือฮิอเลัคือโอตบานละวาเป็นก กำลังคือความกลัวต่อบาปนั่นคือสิ่งที่ดีนอกจากนี้พอเรามีความกลัวความละอายต่อบาปแล้วเนี่ยมันจะทําให้เกิดการการทําจริงแล้วคุณจะทําจริงเวลามีอะไรมาโยโยนให้เราทําไม่ดีไม่ถูกจะไม่ทําแต่ฉันก็จะทําสิ่งที่ดีที่ถูกนั่นคือการทําจริงในสถานการณ์ที่มันยากในสถานการณ์ที่ต้องมีความอดทนในสถานการณ์ที่คมขีบีบคั้นแต่เราก็ยังทําสิ่งที่เป็นกุศลได้อย่าง จริงจริงจางนั่นคือความเปลี่ยนความเพียนคือวิริยะนั่นเองแปลอีกอย่างหนึ่งกับว่าการทำจริงก็ได้ความกล้าในการที่จะตัดสินใจทำสิ่งที่ดีก็ได้แต่คุณกล้าหาญมีความกล้วกล้ า, ลามีความอดทนมีความต่อสู้มีความไม่หวั่นไหวมีการทำจริงในกุศลธรรมในการละอกุศลธรรมนั่นคือวิรยิยะนั่นคือการทาจริงของคุณ ใครักคนหนึ่งตั้งใจทำจริงในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่คุณตั้งใจว่าฉันจะอ่านหนังสือนะฉันจะทำความเพียรออกกำลังกายนะฉันจะลดน้ำหนักการทำจริงของคุณตรงนี้คือวิริยะคือวิริย ะ, ค, ยะคือการทำความเพียรการทำความจริงกล้าในการที่จะสู้กล้าในการที่จะทำความกล้าคือวิริยะตรงนี้ก็ถ้าเป็นพูดถึงในอรยิยมิในนั่นคือพูด ที่พูดมาสักครู่เช่นว่ากล้าในการที่จะลดน้ําหนักกล้าในการที่จะทําจริงทําจริงในการที่จะอ่านหนังสือในการที่จะต่อสู้ทําสัมมาอาชีวะของเราให้ดีอันนั้นเป็นทั่วๆไปในที่นี้กําลังพูดถึงเรื่องของสิ่งที่เป็นกุศลธรรมในอริยวินัยคือพูดถึงสิ่งที่เป็นกุศลในการที่จะกล้าในการที่จะละอกุศลคนหนึ่งเขากล้าหน้าด้านแบบทําสิ่งที่ไม่ดีอันนั้นเพราะว่าเขาไม่มีฮิริอุตปา เขาจึงมีมิจฉาวายามะคุณคิดว่านั้นเป็นการกล้าการด้านในการทําสิ่งที่ชั่วและคิดว่ามันจะเป็นวายามะเป็นวิริยะซึ่งนั่นคิดผิดนั้นเป็นมิจฉาวายามะเป็นมิจฉาวิวริยะเป็นผลมาจากอะไรเป็นผลาจากการที่ไม่มีหิริไม่มีอตตะปะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีหิริมีอตตะปะมีศรัทธาในการตรัดสินของพระเจ้ามีศรัทธาในการทําสิ่งที่เป็นกุศลมีศรัทธาว่าคนที่เขาดีๆก็มีนะ เราจะทําความดีในการที่กระทําตรงนี้ทั้งทางกายด้วยทั้งทางใจด้วยวิทยามี2 อ, อย่างนะัคือความการทําจริงในทางใจการทําจริงในทางกายจะอยู่ภายนอกคุณก็ทําจริงในภายในคุณก็ทําจริงแต่ก็เคยอธิบายไว้2อนัยยะอย่างนี้หรืออธิบายเป็น4นัยยะทําจริงแน่วแน่จริงในการที่จะละอกุศลที่อยู่ในใจของไม่ดีของชั่วเนี่ย เอาออกจากใจทําจริงฉันจะต้องเอาความไม่ดีออกจากใจของฉันทําจริงตรงนี้นันะคือคือสัมมาวายามะนั่นะคือเอาทําความดีความจริงในใจของเราเอาอากุศลออกไปทําจริงๆลักษาวนี้นะทําจริงแ น, แน่ๆจริงในการที่จะป้องกันไม่ให้อกุศลธรรมมันจะเกิดขึ้นใน ใ, นใจนะป้องกันไว้อย่าให้ความชั่วภายนอกมันเข้ามาทําจริงแ น, แน่ๆจริงในการที่จะเราจะทําสร้างกุศล สิ่งใดที่เป็นกุศลที่เรายังไม่เคยทํายังไม่ได้ทำเอาทําัซะทําจริงแน่แน่จริงคราวนี้ฝึกใหม่ทําใหม่ทําจริงแน่แน่จริงในการที่จะทํากุศลธรรมที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยให้มันเจริญขึ้นสี่อย่างนี้คือวิริยะคือการทําจริงการทําจริงการที่เรามีความเพียรการที่เรามีความกล้ากล้าก้าในการตัดสินใจที่จะทำใ น, นตรงนี้ ถัดมานี่คือกําลังข้อที่สนะี่นคือกําลังคือวิริยะถนะัดมาคือกําลังคือปัญญานะปัญญาท่านฟังนะคําสอนของพระเจ้าเป็นคําสอนอย่งปัญญาเป็นคําสอนที่จะให้เราเห็นตามจริงแตนะ่คนที่เห็นตามจริงด้วยวคนมีปัญญาแล้วแตนะ่ไม่ใช่ว่าคุณจะต้องคิดสูตรคณิตศาสตร์แก้สมการยกกําลัง2ถอดสแควร์รูทอะไรอย่างนั้นนะหรือว่าต้องแก้ปัญหาระดับชาตินึงถึงจะมีปัญญาฉลาดต้องจบดอ็อกตงด็อกเตอร์อะไร นัน้นเราก็ยกไว้ก่อนยกไวก่อนเรากำลังพูดถึงปัญญาในการที่จะเห็นจริงเท่านั้นเองเห็นจริงในการในที่นี้นะหมายถึงการที่จะเห็นสรรพสิ่งในะในความที่เกิดขึ้นของมันในความที่มันตั้งอยู่ไม่ได้คือเห็นความเปลี่ยนแปลงความเกิดความดับนั่นเองแตนะการเห็นตรงนี้คือปัญญานะปัญญาที่เกิดขึ้นคือคือเห็นตามจริงกันบ้างง่ายนะแต่บางคนอยู่ไม่ได้เรียนสูงอะไรนะอยู่บ้านนอกบ้า น, นา ทำการเกษตรเขาก็เห็นตามจริงนะเห็นอยู่ทุกวันเลยต้นพระอาทิตย์ตกขึ้นพระอาทิตย์ตกคนอยู่ในเบืองบางคนไม่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นด้วยซ้านะัเพราะว่าต้องออกจากบ้านตั้งแต่เช้าแต่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นนะไปถึงที่ทํางานตรงฝารถติดไปตอนกลับรถก็ติดังไม่เห็นพระอาทิตย์ตกไม่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเลยหรือว่าอยู่แต่ในห้องออฟฟิศที่ทํางานแลนะมีแอร์ไม่ได้รู้ว่าข้างนอกร้อนเย็นฝนตกอะไรยังไงไม่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเลย แต่ไม่ใช่หมายความว่าคนที่อยู่ออฟฟิศทำงานสํานักงานจะไม่เห็นนะเขาก็เห็นได้ในที่ทํางานเขาเห็นได้อยู่เป็นประจาแต่เมื่อพูดถึงประเด็นเดียว่าคนที่ไม่ได้เรียนจบสูงสูงเขาก็มีปัญญาตรงนี้ได้เห็นพระอาที่ขึ้นพระอาทิตยตกทําการเกษตรเห็นความเปลี่ยนแปลงไปของพืชพันธุ์ปีนี้เป็นอย่างนี้ต่อมาเก็บเกี่ยวเอาปีต่อไปทําอีกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดไปนี่เป็นกําลังของคุณนะเป็นกําลังใจของคุณ กำลังใจในการที่เราจะมาปฏิบัติเพื่อละตันหากำลังใจในการที่เราจะปฏิบัติเพื่อเข้าใจความทุกข์ศรัทธาหิริโอต ป, ปะวิริยปัญญาทั้งหมดห้าอย่างนี้เป็นกําลังของพระเศคะใครก็ตามที่ไม่มีศรัทธาไม่มีความรู้สึกผิดชอบชัว่วดีมีแต่ความเกียดกร้านปัญญาสามด้วยซ้ำ คุณจะเสื่อมคุณจะไม่ดีคุณจ ะ, ณจะเหมือนถูกนําตัวเก็บไว้ในนรกว่งั้นเลยนะนี่พุทธพจน์โดยซ้านะใครที่ไม่มีศรัทธาไม่มีฮิริไม่มีโอตปะเป็นคนเหยียดคร้านเป็นคนมีปัญญาซา้ำย่อมถูกนําตัวมาทิ้งไว้ในนรกไม่ใช่เก็บนะทิ้งไปในนรกแต่ใครก็ตามนะที่มีศรัทธามีฮิริมีโอตปะมีวิริยะมีปัญญา เหมือนเป็นคนที่ได้รับเชิญมาอยู่บนสวรรค์นะี่พระเจ้าใช้คานี้แต่เป็นผู้ที่ได้รับเชิญมาอยู่บนสวรรค์เหมือนกับเขาออกสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะมาวางไว้เฉพาะหน้าเราเชิญมาให้เราเดื่มกินให้ต้อนรับเราอย่างดีเหมือนกันถ้าจิตของคุณมีศรัทธามีความละอายต่อบาปมีความกลัวต่อบาปะมีความการทําจริงแน่วแน่จริงแล้วก็มีปัญญาในการที่จะเห็นตามที่เป็นจริงว่าจริงๆมันเป็นยังไงนี่ เหมือนกับถูกเชิญถูกนําตัวได้รับเชิญมาอยู่บนสวรรค์จิตใจแบบนี้ดีแน่นอนแต่ใครที่มีสัทธาฮิริอัตบะวิาวยาปัญญาคุณจะยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์ด้วยคุณธรรมที่จะทําให้คุณมาเข้าถึงตรงนี้มาเข้าถึงในการที่จะหลีกออกจากการมเห็นโทษของการมหลีกออกจากการมได้พ้ น, พนจากอานาจของตัณหาได้คือห้อย่างนี้เป็นกําลังของคุณเป็นสิ่งที่พื้นฐานที่สําคัญมากๆเลยท่านผู้ฟังเหมือนเด็กน้อยไม่รู้เรื่องนะ นอนแบบบอกขอแอรอาแออยู่ you. จับอะไรได้หยิบจับอะไรได้ใส่เข้าปากหยิบจับอะไรได้ก็ใส่เข้าปากปรากฏไปหยิบอะไรก็ไม่รู้ชิ้นพอดีคําใส่เข้าไปในปากกลืนเข้าไปอ้าวพี่เลี้ยงเห็นนี่ทำไงจำฝังถ้าเราเป็นคนเลี้ยงลูกเลี้ยงเด็กเห็นเด็กมันหยิบชิ้นไม้หรือชิ้นกร ะ, ะเบื้องพอดีคําเข้าไปในป า, ากจะกลืนเข้าไปแล้วมันจะติดคอแน่นอ น, นเด็กนี้จะได้รับทุกทรมานแน่นอน พี่เลี้ยงเหลือทาไงก็รีบแก้ไขทันทีจับบาเด็กนั้นมานะประกองด้วยมือซ้ายคุณถนัดมือขวาคุณล้วงมือขวาลงไปเกี่ยวขึ้นมาแต่ต่อให้เลือดออกก็จะต้องทําไม่ใช่ว่าจะจะให้เด็กนั้นชิบหายไปแต่หวังความปลอดภัยแก่เด็กหวังที่จะให้เด็กนั้นมีความสวัสดีให้เอาชิ้นไม้ชิ้นกระเบื้องนั้นออกไม้ได้เพราะถ้ามันลงไปแล้วเนี่ยมันจะตายมันจะมันจะอึดตายมันจะได้รับความทรมานมาก จะมีปัญหาหลายอย่างตามมาพะพุทธเจ้าเหมือนกันจะต้องคอยจำจี้จำใช้บอกสอนเทศสอนตั้งศิกษาบทข้อนั้นข้อนี้เทศกันทุกวนนันตลอด45ไปีและเพื่ออะไรเพื่อให้เหล่าสาวกทั้งหลายได้มีศรัทธามีหริริโอตปะวิริยะปัญญาเหมือนพี่เลีเ้ยงเด็กที่คอยดูแลเด็กไม่ให้เด็กไปทำอะไรที่มันผิดพลาดแต่ถ้าเด็กโตแล้วเด็กโตแล้ว เด็กโตแล้วมีความรู้เดียงสาพอควรแล้วไม่อาจจะประพฤติหละลรวมต่อไปได้อีกเนี่ยก็ไม่จําจีจําฉัยอย่างนั้นเหมือนกับสาวกที่ดีและที่มีศรัทธาวิรยิย์ฮิริโอตปะปัญญาแล้วเนี่ยก็ก็มีคุณธรรมพอที่จะรักษาตัวเองได้รักษาตัวเองในการที่จะประพฤติพรหมจรรย์ให้มันลุล่วงแทงตลอดได้ก็จะไม่ได้จําจีจําำัยเหมือนก่อนแต่ไม่ใช่ว่าศรัทธาหิหริ อตัตบะวิริยะปัญญาในใจเรามันจะไม่เสื่อมนะท่านฟังมันเสื่อมได้นะของอะไรไม่เสื่อมเนี่ยไม่มีอะไรที่มันเกิดขึ้นมาแล้วไม่เสื่อมไม่มีจําไว้เลยนั่นเป็นปัญญาของคุณด้วยนะเป็นปัญญากําลังคือปัญญาเพราะนั้นถ้าเราบอกว่าเอ้ฉันมีแล้วศรัทธาฉันมีศรัทธาฉันมีฮิริอัตบะด้วยจะมีวิริยะจะมีปัญญาดีดีดอนนวัฒนาด้วยชาตุด้วยแต่อย่าประมาทนะเพราะมันเสื่อมได้ นั่นสัทานั่นคือความที่เรามั่นใจในคําสอนของพรชาใช่ไหมมันเสื่อมได้เหมือนกันบางคนบวชมาเสื่อมแล้วเป็นยังไงแล้วก็บวชอยู่ดีๆแล้วก็ลาสิกาไปแต่พวกบวชในภรษาคิดว่าฉันจะบวชสักสักปัญหาหนึ่งนะแล้วพอออกภรษาคุณก็เออเขากำหนดแล้วฉันลาสิกาดีกว่าพระเาบอกว่าออคนที่เป็นอย่างเนี้ยลาสิกาไปด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่จะเป็นเพราะจระเข้ ดึงคุณไปหรือจะเป็นพระน้ําวนดูดคุณไปหรือจะเป็นพระคลื่นซัดคุณไปหรือจะเป็นเพราะว่าปลาฉลามคือปลาร้ายเนี่ยกินคุณไปเนี่ยก็เพราะว่าการที่คุณศรัท ธ, ธาหิริอตุตตะวิริยะปัญญาเนี่ยเสื่อมถอยลงแล้วเสื่อมถอยลงนี่ไม่ใช่หมายความว่าไม่มีนะมีอยู่แต่คือศรัท ธ, ธามันก็เป็นหลายระดับระดับที่ดีที่สุดเลยดีที่สุดเลยคือคุณปฏิบัติจกนกระทั่งคุณบรรลุปเป็นพระอาหารหันต์เนี่ยกูมีศรัท ธ, ธาเต็มแล้ว นั่นคือน้อยที่สุดของความเต็มนะเต็มที่ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ก็มีนั่นคือความที่คุณทําเองนะเพื่อที่จะเป็นสมณะสุรเจาแต่น้อยที่สุดของความเต็มตรงนี้คือความเป็นพระอรหันต์น้อยลงไปกว่านั้นถ้าพอที่จะเรียกว่ามีดีได้ไหมก็เป็นโสดาบัลถ้าน้อยลงไปกว่านั้นก็อ่อนลงอ่อนลงแต่ไม่ใช่ไม่มีมีอยู่มันก็จะไม่ยินดีในการประพฤติประจร์ลาสิกาออกมาฉันว่าฉันมีนะก็อย่างที่ว่านะมีไม่เต็มในมี ไม่บริสุทธิ์ไม่บริบูรณ์มีอยู่อาจจะบริสุทธิ์อยู่ไอ้เท่าที่มีแต่มันไม่มบริบูรณ์ไม่บริบูรณ์พอที่จะให้คุณเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นธรรมชาบุคคลได้แต่ไม่มีพอที่จะให้คุณเป็นพระอาารันได้มันก็ลดหลั่นลงไปใน ต, ตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าคนที่ราสิกขามาเนี่ยไม่มีศรัทธาในกุศลธรรมแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีแต่มันถอยลงต่ำลงเฮียริก็เหมือนกันโอตะบาก็เหมือนกันนวิริยะปัญญาก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่ เราจะสึกคุณคุณรู้หรือเปล่าว่าแสดงว่าคุณทํา5้าอย่างคุณเนี่ยเสื่อมลงถอยลงเอาเราจะทํำยังไงแล้วนะเราก็จะต้องทำไอ้เจ้าคุณธรรมห้าอย่างนี้ไม่ให้เสื่อมไม่ให้ความไม่มีศรธรรมมากรุ่มรุมอย่าให้ความละอายต่อบาปมันเสื่อมลงอย่าให้ความสะดุ้งกลัวต่อบาปมันถอยลงอย่าให้การที่เราทําจริงมันย่อหย่อนอย่าให้การที่เรามีปัญญาของเราเนี่ยมันเสื่อมมันทื่อลงแลนะเราปฏิบัติอย่างนี้เราจะรักษาลมปราณของเราไว้ได้ ท่านฟังคิดดูเวลามันหมดแล้วนี่ยังพูดไม่ทันหมดเลยวันนี้ข้าพเจ้าข อ, ขอลาไปก่อนแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะไม่มีใครจะมาประมาทมารอพรุ่งนี้ไม่ได้เอาวันนี้เดี๋ยวนี้ถ้าท่านฟังมีศรัทธามีฮิริมีอุตตปะความกลัวความลายต่อบาปความรู้สึกผิดชอบช่วดีมีความมั่นใจในการตรัสรู้ของบุรุษชาติมีการทําจริงแน่แน่จริงในสิ่งที่เราทําในการที่จะละอกุศลเจริญกุศล มีปัญญาเห็นจริงตามที่มันเป็นว่าสิ่งต่างๆเป็นยังไงเกิดยังไงดับไปยังไงวันนี้เดี๋ยวนี้วินาทีนี้เราเป็นผู้มีกำลังเราสามารถพอที่จะทรงตัวอยู่ได้พอที่จะรักษาตัวให้ละตัณหาให้เห็นความถูกได้เชื่บไหม